สูระโซกันปังมาตอนเช้าตอนเย็นเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติธรรมที่พวกเรากำลังทำอยู่พวกกับทุกคนเพราะเราเป็นอันเดียวกันมีกายมีใจเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดอะไรหลายหลา ย, หลายอย่างเราก็มีสติเป็นดวงตา ภายในดูกายดูใจของเราจะปล่อยปละละเลยอะไรที่มันเกิดขึ้นต้องการให้เป็นยังไงหัดดูหัดรู้หัดสอนหัดเตือนตักเตือนหน่าเก่าตัวเองนั้นสอนได้กายก็สอนได้ใจก็สอนได้ถ้าสอนได้แล้วเราค็ยช่ได้เราใช่กายเราใช่ใจ เราใช่ตาเราใช่หูเราใช่จมกูกเราใช่ลิ้นเราใช่ใจิตใจสำเร็จประโยชน์ราบขวางชั่วได้ทำความดีได้ทำกิจเท้บริสุทธิ์ชีวิตนี่ถ้าเราสอนมันดีดีมันสำเร็จถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลที่ผ่านเป็นที่สุดถ้าเราไม่หัดไม่สอน ตัวเองก็เป็นโทษเป็นภยัยต่อตัวเองและคนอื่นไปไม่ถึงไหนเวียนว่าใจเกิดเสียชิหลงแล้วหลงอีกทุกแล้วทุกอีกโกรธแล้วโกรธอีกจิตเหล่านี้มันผ่านได้มันเป็นทางผ่านมันมีทางผ่านถ้าเราศึกษาเรามันจบเป็นพบหลงเป็นขั้งสุดท้ายความทุกข์เป็นขั้งสุดท้าย ความโกรเป็นขั้งสุดท้ายเป็นชีวิตตุ้นล้วนเรานี่อะไรมันใช่เราพรมีกายมีใจต่อรับใช่สิ่งใดมีประโยชน์จากกายจากใจไหมหรือว่ามีแต่โทษตาดึงไปใชยหูดึงไปใชยหลงทิศหลงทางไปความหลงสร้างหัวมหลงเรือยไป ความทุกข์สร้างความทุกข์ด้วยปายความโกรธสร้างความโกรธด้วยปายเป็นนิจใสเป็นจริตโตเสะจริตไม่ความโกรธไนนด้โตสฉง่า ย, ายออกหน้าออกตาโมหจริตมีความหลงออกหน้าออกตาไม่มีสติไม่มีปัญญามีแต่ความรู้ใช่ไม่เป็น ไมได้ช่วยความรู้ที่มันรู้ชอบไปช่วยความหลงที่มันไม่ชอบให้ความโกรธความทุกข์ความหลงงอนอยู่กับชีวิตเราข้ามวันข้ามคืนข้ามปีข้ามเดือนรับช่เป็นชี้าเป็นทาาของเขาเลิกมาเห็นได้อะไรหลงมันได้อะไรโกรธมันได้อะไรทุกข์มันได้อะไร เอาไปวอดไปอ้างกันเป็นเรื่องน่าอายต่วจึงมีสิทธิเวลามันหลงมีสิทธิไม่หลงเวลามันทุกมีสิทธิไม่ทุกเวลามันโกรธมีสิทธิไม่โกรธงูไปเลยคนหลงคนงูคนโกรธคือคนงูคนทุกคือคนงูตื่นอาจจะไม่งู แต่ว่าโง่กับตัวเองโง่มากฉลาดคนอื่นเอาลัดออเอาเปรียบกันเปรียดเบียนกันไว้จุดไม่มีอะไรหลงไปตั้งชาติเราจะมาศึกขาและทำเป็นเครื่องเรื่องชีวิตของเราสึกขาคือศีลศีลคือปกติมีสติอย่างที่พูดในฟังเมื่อวานเนี่ยสิกขาก็คือมีสติว่ามีสติมันก็ละความชั่ว ตอนล่ความชั่วก็เป็นศีลแล้วมีสติก็ทําความดีก็เป็นบุญแล้วคนทําดีเพราะมีสติคนทบชั่วเพราะขาดสติแล้วก็มีเช่นนี้มันไม่มากเราก็เห็นไม่หลี่ไม่รับเวลาใดเราทําชั่วแสดงว่าขาดสติหลงไปแล้วกลับคืนมาได้ปฏิบัติคือกลับมา สู่ทางสู่ความดีสู่ปกติสู่ศีลสู่บ้านของตนบ้านของคนคือปกติต่างกายทางจิตใจถ้าไม่ปกติจะแสดงว่าพัดินพัดบ้านแล้วเข้าบ้านที่เป็นมีความรู้สึกมีความรู้ึกได้เราอยู่ที่ไหนก็อันเดียวเป็นหนึ่งเดียว ถ้าเราผูกหัดอย่านี้ทุกคนก็เป็นคนคนเดียวกันถ้าเราไม่หัดว่าต่างคนต่างเป็นซึ่งพออาศัยกันไม่ได้เดือดร้อนจนสร้างตัวบทกฎหมายขึ้นมาเพื่อควบคุมของชีวิตทรัพย์สินของกันและกันไงจึงมีจากนั้นน่าจะดูแลตัวเองให้ดีเป็นนั่งเดียวกันนะจะอยู่สุขสงบร่วงเย็นร่วมกัน เราไม่ตั้งต้นที่ตรงไหนเรามาตั้งต้นจากการศึกษาคือความรู้สึกตัวเนี่ยเห็นถลงุงศึกษาคือถลงย่อยออกมันเปลี่ยนได้มันหลงเปลี่ยนเป็นไม่หลงมันทุกเปลี่ยนเป็นไม่ทุกด้วาศึกษาต่ใช่จบอะไรมาศึกษาศึกขาเป็นชีวิตแต่รู้สึกตัวหนึ่งมีชีวิตแล้ว ก็หลงมาไรลขาดชีวิตไปแล้วเป็นชีวิตเป็นอันอื่นไปแล้วอยู่ในอุ้งมือของยากษ์โอบานไปแล้วบางทีดูในอุ้งมือของพบภูมิต่างๆเป็นเป็ดเป็นสุรกายเป็นสัตวโลกเป็นเดรัจฉานได้ไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานเขาก็เป็นสัตว์เหมือนเดิมแต่ชีวิตของคนเราเนี่ยมันเป็นเป็นได้หลายหลายภูมิในรูปก็เป็นพบภูมิอีก หลายโภหลายภูมิรับใช้เจีงต่างๆจับสัตาอาวุธเป็นยักไปแล้วไอ้รูปนี่มันหิวไอ้รูปจะ ก, กินจะพอเป็นเปลดไปแล้วไอ้รูปนี่มันงู้ไม่ดูอยากแก้ไขตัวเองเอารูปมาเป็นสุขเป็นทุกข์รูปมาเป็นอะไรออกหน้าออกตาเกิดจากรูปปีพบปีชาติหลายอย่าง กิดจากเวทนาก็มีภพปีนเชิบางทีเวทนาเป็นใหญ่รับใช้เวทนาไปป้นไปขี้ไปซื้อไปหาไปข่มขืนไปขโมยเขามามาจับใช้เวทนาต้องการลายเวทนามันมีใจอย่างไรเราใช้ซกซก ซ, ก ซ, กซกไปตามเวทนาเป็นภพปูมปในเวทนาในจิตก็มีภพปูมในจิตหลายภพหลายชาติ ที่พักอาศัยป่าเถื่อนเป็นาการทุกข์มาพักอะไรมาพักก็ได้จิตของคนเราถ้าเราไปเปิดไม่มีเจ้าของดูแลสมสรตฐานะความโกรธมาใช่จิตความหลงมาใช่จิตความทุกข์มาใช่จิตความลักความชังมาใช่จิตความซ่อมาหมองขุนหมอะไรมาใช่จิตเลอะเลือนไปหมดจิตที่ดีบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาวสอาด ใช่ไม่เป็นก็เปืเป้อนๆผุพังไปซุดโสมไปจนเจ้าของกิตจนใช่ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่มั่นใจมั่นจิตตัวเองแล้วผิดชอบไม่ได้ไม่เชื่อใจตั้งทั้งที่มันสอนไ่้นี่ชีวิตของคนเรามันมีโภคต่างๆถ้าเราไม่หัดเราเสียไปตั้งชาติเลยถ้าหัดโอ้ยมนุษย์ประเสริฐเลิศ แต่คนมาเป็นมนุษย์สูงขึ้นมาหน่อยคนที่นั่นปนเปกันชีวิตของคนปนเปกันคุ้มร้อยคุ้มดีหรือ ว, ว่าคนถ้าเป็นมนุษย์สูงขึ้นมาไม่ด่วนลบไม่ด่วนไปเสพมีสติสัมัชย์ยะถ้าเป็นเทวดาก็มีความราอยต่อความชั่วเจงตัวตวบาป ไม่ก็คิดชั่วไม่ก็พูดชั่วไม่ก็ทำชั่วคนอื่นไม่เห็นเราก็เห็นอันความชั่วนะมันเกิดขึ้นที่เราก่อนเหตุปัจใจเบื้องต้นเกิดขึ้นที่ความหลงความชั่วนะถ้าไม่มีความหลงความชั่วก็ไม่มีเหตุที่เกิดขึ้นที่นี่ดับก็ดับที่นี่ถ้าเป็นเทวดาเป็นเทวธรรมแล้วค้มคองโลกได้มั่นใจ อาศัยกันได้ดูแลอะไรคุ้คนดีคนชั่วยังไงในตัวเรานอกตัวเรามีความลอยต่อควชั่วยังกลัวต่อบาปเป็นพระพรมว่ามีเมตตากุณาออกหน้าคิดถึงได้ประกอบด้วยเมตตากุณาพูดถึงในประกอบด้วยเมตตากรุณาทําำจิตได้ประกอบด้วยเมตตากุณาเป็นพรมใ่อย เป็นผู้ใหญ่แม่เด็กก็เป็นผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ไม่มีเมตตากุณาก็เป็นเด็กวันไหว น, นี่เรามันเกิดได้ในจิตในใ จ, ในใจชีิตของเรานะ่ยเอามาถ้าหัดขึ้นไปก็สูงเขึ้นไปเป็นพระพระประเสริฐแล้วไม่เปิบเพื่อนอย่างใดชีวิตมงกรสถานคือชีวิตของพระไม่วันไหวไม่ทัวไม่แพร่ ไม่กระทบกระเทือนไม่ก้อนแน่นกอดแข็งเหมือนศิลาแทงทึบไม่จะเทือนเพราหลุมเฉดด้ตาก็มีหูก็มีแต่ไม่หวั่นไหวเห็นทางตาก็สักว่าเห็นได้ยินทางหูสักว่าได้ยินได้กลิ่นทางจมูกก็สักว่าได้กลิ่นในรสทางลิ้นก็สักว่าว่า ไ, ได้เอามาปรุงจนเกิดความชอบความพอใจและไม่พอใจตรงนี้ก็ ไปได้รอดได้ถ้ามีสติเฝ้าดูการสัมผัสก็เลยฝึกหดตนอย่างนี้เอาจุดอ่อนของมันจุดโ อ, อจดจะนึ่งคือความหลงจุดอ่อนที่สุดที่มันทําผิดทาําพลาดเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนเจืตัวเองแล้วคน ด, ดูมันมีความหลงมันไม่มีอะไรไม่เจ็บเพราะว่าที่หลงที่รู้ดูเข้าดีๆศึกษา ด, ดีไม่เท่านี้ ง่ายง่ายมันเข้าแถวมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาความหลงไม่รับรี่อะไรหลงทางหูเห็นได้หลงทางตาก็เห็นได้หลงทางจ ม, มูกลิ้นกายใจหลงได้รูปรสกลิกก่นเสียงอารมณ์ต่างๆเห็นได้ไม่รับลี่ความหลงนะความรู้ก็ไม่ได้ต้องหาไม่เรียกร้องใครมาช่วยมราอยู่ด้วยกันระหว่างความรู้ความหลง อะไรที่มันเกิดขึ้นรูปปับเอาความรูปเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเป็นเจ้าของผมรู้สึกตัวเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจเลิกหันสงวนตัวเอาไว้การตั้งต้นแต่การศึกษาชีวิตเนี่ยมันไม่ยากไม่ต้องไปวัดอุปกรณ์ของการศึกษาเช่งอื่นมีกายมีใจก็พอแล้วกายใจเป็นที่ตั้งอะไรต่างๆความดีความชั่ว พอใจพอใจเมื่อเรามีสติตัวกย็ยยกมือส่างจังหวะเคลื่อนไหวมันทําได้ปฏิบัติได้ง่ายง่ายไม่ต้องมากไม่ต้องเอาเหตุเอาผลเอาผิดเอาถูกมาเป็นที่ตั้งให้รู้เข้าไปเลยรู้เข้าไปสัมผัสเข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกเข้าไปเอาความรู้สึกมาต่อกับกายกับใจ เมื่อความรลดจึกตัวมออยู่กับกายกับใจที่เวลาสัมผัสมันก็เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้ถ้ามีความหลงเข้ามามันก็เกิดอกุศลเกิดความโลภความโกรธความหลงได้ไปทางอื่นมีพระอรหันต์สมัยขั้งพุทธเจ้าขั้งพุทธการเตียนอะไรก็ไม่รู้อย่างพระพาหิยะเนี่ย ป่าหิยะเป็นผู้ตัดลู้เขีบ่บพันเร็วพันเป็นเอตตะคะผู้ปรรลุธรรมฉับพันง่ายง่ายเรียนอะไรไม่ได้เพียงแต่พระพุทธเจ้าว่าเรียนง่ายๆ่เพียงแต่สัตยัตเพียงผัสสะมีสติลาผัสสะคือตาสัมผัสกับรูปรู้สึกตัวเวลาหูสัมผัสกับเสียงรู้สึกตัวเวลา สัมผัสกับจมูกรู้สึกตัวล่กายสัมผัสกับพลิตภัณอารมณ์ความร้อนหรือ จ, จิตใจรู้สึกตัวเท่านี้เองประโยคนยน้อยๆพระพุทธเจ้าสนอนถ้า พ, พยายามไม้เหมือนพระโกธิยะอันนี้ขอภัยจำไม่ได้เลียนจบพระไตรโดรดเพื่อสวต่างๆจบหมด แต่พระพุทธเจ้าเรียกว่าภิกษุใบลานเปล่าเวลามากราพุทธเจ้าพอ้เจ้าก็มาแล้วหรือภิกษุใบลานเปล่าเวลาจะกราบลาพุทธเจ้าโอเจ้าว่าพวดเอกว่าไปแล้วหรือภิกษุใบล้านเปล่าไม่พูดอะไรโอจิลาก็เสียใจน่าจะสนเสริญเรา เรียนเก่งจำวสูตรไปที่ใดสัจฉานชัดเจนขี่แจง้งแสดงทำโหน่นเทศนาที่นี่เรื่องนี้อสูตรนี้เทศน์นั่นมีคนบางเที่ยนนั่นบรรคนบรรลุทรรมที่นั่นกระูตรต่างๆปฏิปทานสูตรอัตตะลัคนาสูตรอธิตะปียาสูตรธรรมจักรกวัตสูตรต่างเยาากกอะแยะไปเลยโลโมดไปที่ใดนี่ยคม ภิกษุต้องร้อยภิกษุณีต้องหลอ ย, พ, อลอยพุทธบริษัททั้งร้ อ, อยต้องยอมไม่ไปโวดไปอวดเวลามานี่หลงตาพูดไม่ไม่ถูกโกเทาะอวยจะถ้าเป็นพระโภชิละมาได้ยินอะ่ะท่านจะชี้แจงพวกเราไม่ฟังหลวงพ่อหรอกไปฟังโภชิละโอ้เจ่งเนาะไปเยวันนี้เดพระพุทธเจ้าเรียกภิกษุใบลานเปล่า ก็เลยมาฉิดเฮ้ hey, ทำไมเราไปที่ใดเราไม่อำนาจแห่งความรู้พุท ธ, ธิภาวะสูงสุดพิุาร้์หน่อยต้องยอ ม, มเหมือนล่าเจะสีเดินข่าหมู่ฝูงสัตว์ตัวไม่ก็อะไรไม่ก็พูดด้วยก็มาคิดเฮ้ hey, ทำไมพุทธเจ้าไม่เสนอเสนอเราเรามีความรู้ขนาด น, นี้จบมาแท้แท้ก็ชิดอ่ะต่อไปนี้เราจะต้องหาครูอาจารย์ซะก่อนให้มีผู้สอนเรา ไปสำนักหนึ่งมีสอ น, น้าหนาวัดเหมือนวัดป่าสกตตุกุตมากราบอาจารย์หัว mm hmm. ละหมูอาจารย์ก็บอกว่าาอามากราบว่าขอให้สอนผมด้วยอาจารย์เนีไปหาอันนี้เอาอง น, นี้อาจารย์ยุกิอาจารยุกิก็บอกเขางนั่นไปหานะ่ะเลยไปไม่มีใครกล้าสอนไปสุดไปหาเนโนยโอ้โหองสุดตายแล้วนะเนโน้อย สอนผมด้วยเป็นอาจารย์ผมด้วยจะให้ทำอะไรก็รถที่ฐิม า, าหลงเน็น้อยก็ไม่ปากไม่พูดพาปะไปเดินไปหน้าวัดกำลังหมจีวอนพลาดสังขารติวันเราเนั้นของวัดแนด่น้อยก็พาโกธิละเดินลงสระไปสานามแน่ น, น้อยบอกว่าอาจารย์โกธิละลงไปน้ำนี่ มันหนาวโอ้เธอเกิดถ้าทำท่าจะไม่ลองไปสิลองไปเนน้อยเอา้าบอกแนน้อยสอนก็ต้องเชื่อฟังเนน้อยก็บอกว่าถ้าบอกอะไรก็เชื่อฟังนะครับจะเชื่อฟังเอลอลงไปถึงผ้าเพียงเขาเอาไม้เน้นพอไหมหยาบลงไปอีกลงไปถึงเอวเอาไม้เน้นไม้พอ่อเอาลงไปอีกน้าเพียงอก พอหอยังเน้นไม่พอลรอกอีกน้าเพียงปากพูดไปได้ปปปปปอันนี้น้ก็ครื่องเหมือนกันมาเข้ามาขึ้นมาก็นี่น้าก็สอนมีจอมพวกจอมหนึ่งมีรูหกรูมีตัวเหี้ยอยู่ในจอมปวกจะจับตัวเหี้ยได้ยังไงโตทีระก็เชื่ได้ตอบจะได้หกรูตาหูจะหมกเรี้ยงหายใจ จะจับเชือได้ยังไงมันอยู่ในเนี่ยเชีอดคือความชั่วทัตลอดคำว่าเหี้ยเราอยากเรียกว่าเหี้ยเราเรียกว่าตัวเงินตัวทองบางคนทำไมันจิบนายไใบวอดจับเชือดมาปล่อยข้างบ้านน้าด่ากันว่าเชือดเต็มที่แล้วใช่ไหมมีตัวเหี้ยตัวหนึ่งมันลอยอยู่ในเนี่ยจะจับมันได้ยังไงความชั่วตลอดจะจับยังไงพวกเราจะจับเชือยยังไง สมมติมพวกเเป็นโพธิละเนี่ยเออฉันก็คิดอ่ะก็ต้องปิดรูห้าลูขุดตามไปรูเดียวมันก็จับได้เออแน่นอน ก, ก็เอาพอแล้วไปจับแค่ไงละสุดโพธิละจับแค่ละปิดทั้งโพธิละทาไงละเอาตรงไหนเออหัวใจดูใจบงเป็ญดังคิตมีสติดูมันมีตัวรูตัวหลงตัวเนี่ย ถ้าเห็นตัวหลงรู้สึกตัวเปลี่ยนความหลงเป็นความโลดจับเงื่อนได้เลยอันนี้เรียกว่าประโยคนด้น้อ ย, อยมันมีอยู่กับเราแล้วไม่ต้องไปจำ ม, มือสูตรต่างๆหรือรูปดังเระพี่ชายเอาน้องชายมาบวช ด, ด้วยน้องชายก็ปรึกนาโหดสอนให้เรียนอะไรก็ไม่ได้ ไ้ไหนพี่ชายก็มิตรดาอายเพื่อนโง่โงโตตุนพี่ชายก็เรียดมากมากวันหนึ่งพี่ชายด่ามากก็เลยเห็นท่าไม่ได้ไม่ไหวขอศึกต้องให้พระพ่อพุทธเจ้าโอ้าวว่าทำไมจึงศึกเพราะว่าพี่ชายด่าเรียนเลไก็ไม่ค่อยได้พุทธเจ้าก็ ไม่ต้องสึกเพราว่าผ้าขาวพื้นหนังให้เท่าฝ่ามือเนี่ยเอาผ้าไปรูปดูหน้โหาโจฮันลนังหนโจหันะนั ง, นหนงให้ว่าบริการครับเดียวหน้าโจหันลนังหนโจหันนังแล้วน่ยก็ลูปผ้าผ้าขาวขาวก็เป็นผ้าดําไปหมดเลยก็เป็นผ้าดําไปหมดแล้วลูปไปหน้าโจหันะนองน้ยโจหนันหะหนอง โลกไปโลกไปผ้าดำเห็นผ้าขาวๆมาเห็นผ้าดำอ๋อทําไมผ้าจึงดำมือทําไมจึงไปเป็นมือดำไปเพื้อนผ้าเพื่อมาอุปมาวันจิตใจของเรานี่ยพัดสะโอ้การสัมผัสบ่อยไม่มีสติเปรื้เพื่อนกับกลมยินดียินได้ตีใจเฉอใจตาเห็นลูกพอใจไม่พอใจ หูทียินเสียงพอใจไม่พอใจเชบุตรได้กลิ่นพอใจไม่พอใจสัมผัสผัสศัไม่ใช่มือสัมผัสกับผ้าอย่างเดียวมันไปกานไหลตาฉานไว้าานไปตาฉานไปตา้านไปอ้ด้บรรลุกิมมันดีเลยแต่ฉ า, า, า, า, า, านเพราะกัรสัมผัสสัมผัสอะไรที่มันสาดจากเล่าสวดเมื่อวานนี้ ยา้าปัจจยังประวัติธรม น, งนมังธาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้เป็นจอกวา้าตามธ า, าเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจยอย่านิดยาที่ทางจีวหลังตะทูปปุญญโกจปุกโลจีวอนนี่จอดมาแต่เดิมเมื่อถูกกับกายอเด้าอยู่เปน็นนดนีดน้แล้วจอมสศกปกเป็นน่าเกียดจังยิ่งไปด้วยกัน ว่าสะาดมาถูกกายไบ่อยก็จนเหม็นชิตใจของเรานี่บริโภคมาแต่เดิมแต่มันอากัรทุกะจรหมาแต่ก่อนมีไม่เป็นไรเมื่อสัมผัสตะบ่อยก็จอนมามาพักที่นี่ควมหลงมาพักที่ใจความโกรธมาพักที่ใจความทุกข์มาพักที่ใจความลักมาพักที่ใจใจก็เลยเต็มไปด้วยความโกรธความทุกข์ที่จริงใจไม่ค่อยโกรธไม่ทุกข์ควมทุกข์ไม่ใช่ใจ ความโกรธไม่ใช่ใจมันเป็นอาัารทุกขมันมาใหม่มันซักได้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์มันเปืเ้อนได้มันไม่ใช่ใจคนเราไม่ศึกษานึกว่าใจกูโกรธกูทุกข์กูพอใจกูไม่พอใจกูชอบกูไม่ชอบปอซะเห็นเอาอความโกรธมาเป็นใจของหน่นเองเ ต, ตามความโกรธ ถ้ากูได้โกรธแล้วกูไม่ยอมถ้ากูได้โกรธกูไม่ดา่ามันกูไม่ยอมกูต้องดา่ามันให้ได้ทำตามความโกรธเสียเปียบความโกรธโกดขึ้นมาให้ลูกตีลูกกกสามีปัญญาด่ากันเหมือนหมูหมือนหน้าความโกรธบ่งการไม่ใช่ใจเลยมันหายเป็นมันหมดเป็นความโกรธเนี่ยรวมทุกข์กันหมดเป็น มันไม่ใช่เจ้าบ้านเจ้าเรือไ น, น, นไม่ใช่ตัวใช่ตนอันของโกรธไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราสวดประสูตรพระเจ้ากศนกายานปัญนาเห็นกายในกายสักว่ากายไม่ใช่จัตุคนตัวตนเราเขาอย่าไปเอากายมาเป็นตัวเป็นตนเห็นกายสักว่ากายเคลื่อนไหวไปมาให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัว มีความรู้จึกตัวตายมันแสงกออกมันปวดขาโอ้ยกูปวดอันนั้นเป็นตัวเป็นตนเห็นมันปวดเรียกว่ากายฉะสักว่ากายแล้วไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแล้วรอกไม่ใช่เป็นผู้ปวดเห็นมันปวดเห็นมันหนาวไม่ใช่เป็นผู้หนาวนั่นแหละไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวใช่ตนสักว่ากายแล้วเวทนามัน อะไรเกิดขึ้นก็สบเวทนาไม่เส่จัดบุคคลตัวตนเราเขามันก็มันจะเห็นมันเห็นมันเห็นมันอย่าเข้าไปเป็นนี่เรียกว่าง่ายงายอย่างเนี้ยปฏิบัติธรรมจิตที่มันคิดขึ้นมาให้ความคิดเป็นใหญ่ไวาขี้เกียจก็หยุดทำขยันก็ทํำลงไปเอาความขยนันเอาความขี้เกียจเกิดที่ใจเป็นสิ่งบงการ ถ้าความวิเกียริก็ดีไม่เอาเลยถ้าความปยันก็นยกออคิดถึงบุญกุศลก็เบื่อเข้ามาก็ดีไปถ้าทำตามอาการต่างๆนึกว่าเราไม่ใช่เลยโทกตัวนี้หลอกตั้งขบตั้งชาติตามกบเดือดร้อนให้กันแล้วกันเนี่ยอะไรวันที่นี่สากัดพระพระฮิยศึกษาตรงนี้เอ้อ ที่รูปภาพก็ศึกษาการสัมผัสเรามอปฏิบัตินี่ก็สัมผัสต้องเคลื่อนไหวให้มารู้สึกตัวถ้าไม่มีความรู้สึกตัวเป็นเจ้าบ้านเจ้าลวนแล้วมันก็มีตาภายในเหมือนคนตาบอดไม่เห็นไม่มีใครตาบอดเท่ากับไม่ดูแลตัวเองไม่มีใคร ห, หูหูเท่ากับไม่ฟังเสียงอะไรเขาเดินทาก็จะเย็นไม่เป็นลายเขาสนเสริญก็รู้ไม่เป็นลาย จะให้คนอื่นมาซักชีวิตของเราให้เต้นไปต่างๆวามเขาเราเป็นตัวของตัวเองเรารู้ตัวเองดีกว่าคนอื่นรู้ถ้าเขานินทาเราเราก็รู้ของเราเองถ้าเขาเสิร์ฟเสิร์ฟเราเราก็รู้ตัวเราเองถ้าจะไปเรียกร้องอะไรจะไปป้องกันอะไรไม่อยากให้เขาว่าไม่อยากให้เขาทํามันห้ามไม่ได้แต่ห้ามเราถึงห้ามได้ เราจะไม่เป็นเลยตามคนเขาว่าเราจะเป็นของเราเองรูดึกตัวนี้หัดจยางนี้หัดจย่างนีมันใช่ได้จริงๆริงมาเสิร์ช จ, จริงๆรชีวิตของเราเนี่ยทําไมจึงไม่ใช่ความถูกต้องชอบชอบนี่ตัวมาฝึกขัดให้ทําให้เป็นไม่ใช่มาเอาความรู้ว่าทําให้เป็นเมื่อมันหลงไปรู้ทาเป็นแล้วเมื่อมันสุกรู้เมื่อมันทุกข์รู้ ปฏิบัติที่กรมารู้เป็นที่ตั้งที่ตั้งรู้วกรร ม, มาฐานกรร ม, มาฐานคือที่ตั้งฐานคือที่ตั้งกรรมการกระทากรรมนี้จะลิขิตไปเองไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผลก็ไปความชอบไม่ชอบเป็นหยอดเป็นโตให้มีการกระทาเกิดขึ้นทวกเราพวดกันอย่างนี้ชวนให้ทำอย่างนี้เราก็เป็นเพื่อนอยู่นี้มีอะไรก็อยู่มอนเหมือนกัน ไปอันนี้เราหนาวก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันไปกินข้าวก็เหมือนกันอาหารอย่างเดียวกันเห็นโอกแห็ง ใ, ใจกันตัวเขาตัวเราไปเปลี่ยนกันทาไมตีใหม่แล้วมาดีต่อกันเถอะมาดูแลตัวใครตัวมันให้คุ้มปฏิบัติธรรมคือแลตัวเองให้ดีๆอย่าให้ไปรบกวนอะไรที่ไหน รักษากาวาจาใจคือนี่แหละคือศีลคือสมาธิปัญญามีสตินี่แหละนี่ที่นี่ก็พูดกันอย่างนี้แต่คำพูดเป็นการหลดรมแรงๆไม่ใช่พูดให้จาพูดแล้วไปทำดูเหมือนพูดเจ้าบอกพระตาถาคตเป็นแต่เ พ, พียงผู้บอกตอนกลางกระทำเป็นหน้าที่ของเธอภิกษุตั้งหลายก็พูดแเจ้าช่วยกันไม่ได้ ผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้เห็นธรรมผู้ดใดเห็นธรรมแผชิสติสัมัญญะเป็นเหตุเป็นที่ตัง้ง